วิธีให้สติวินัยและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสง์พึงให้สติวินัยอย่างนี้คือภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงหอมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ ภิกษุทั้งหลายใส่ความข้าพเจ้าด้วยสีเลววิบัติที่ไม่มีมูลท่านผู้เจริญข้าพเจ้านั้นถึงความภัยบุ์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติจตุถกรรมวาจาว่า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 ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุทั้งหลายใส่ความภิกษุชื่อนี้ด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลภิกษุนั้นถึงความภัยบุญแห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์สงให้สติวินัยแก่ภิกษุชื่อนี้ผู้ถึงความไภัยบุญแห่งสติแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สติวินัยแก่ภิกษุชื่อนี้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 ภิกษุทั้งหลายใส่ความภิกษุชื่อนี้ด้วยเสีลวิบัติที่ไม่มีมูลภิกษุนั้นถึงความภัยบุ์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์สงให้สติวินัยแก่ภิกษุชื่อนี้พูดถึงความภัยบุญแห่งสติแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สติวินัยแก่ภิกษุชื่อนี้พูดถึงความภัยบุญแห่งสติแล้วท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสติวินัยอันสง์ให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้พูดถึงความไยบู์แห่งสติแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไรด้วยสัมมุขาวิไนกับสติวิไนในสั ม, มุขาวิไนนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าสงความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวิายัยความพร้อมหน้าบุคคลงั้นหนึ่งความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวิไนนั้นอย่างไร โจ์และจำเลยทั้งสองอยู่พร้อมหน้ากันนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคลในสามมุขาวิไนนั้นในสติวิไนนั้นมีอะไรบ้างมีกิริยาความกระทาความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมคือสติวิไนอันใดนี้มีในสติวิไนนั้น